ขอความเจริญในธรรมจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมปปุพธิยานได้นำเสนอเรื่องสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์ไว้ซึ่งเป็นการเรียงตามลำดับที่พระยะบุคคลท่านละได้เกี่ยการเรียงสังโยชน์ที่จริงก็บางครั้งก็เรียงอีกแบบหนึ่ง แต่แนตวตรงนี้ถ้าเราดูให้ดีแล้วเป็นการเรียงด้วยโมหะแล้วก็ราคะโทสะแล้วก็ราคะแล้วก็โมหะก็แสดงว่ามันมีความหยาบละเอียดกันอยู่ในตัวของเขาเองเมื่อเป็นกิเลสประเภทละเอียดด้วยกันในตัวบนๆข้อบนๆเนี่ยก็ชื่อว่ายาบกว่าตัวที่ใหญ่ที่สุด ในวันนี้ก็คือเรื่องของอวิชชาถ้าเราไปสังเกตเรื่องของเจตสิก52ดวงนะครับคือจะเห็นว่าอาวิชชานั้นไม่ปรากฏปรากฏอยู่เฉพาะโมหะพวนาการของอวิชชาที่ปรากฏนั้นก็คือออกมาในรูปของโมหะในรูปของความเครือแผงสงสยัยในรูปของความฟุง้งฟุ้งสั้นซัดสายในด้นจิตใจ ผลอาการที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาต ต, ตนก็ดีดูเกิดความเครียแครงสงสัยตลอดถึงหนักในศีลพจน์ซึ่งเชื่อถือกันว่าครั้งที่วศักดิ์สิทธิ์จวบดีพิเศษเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นอาการของโมหะที่เด่นชัดโมหะนั้นเราแปลว่าความหลงหรือความเขา่าหรือความโง่หรือความไม่ฉลาดก็แล้วแต่จะแปล วิชานั้นแปลว่ารู้ไม่จริงนะฮะคือที่จริงมันก็รู้ว่าอะไรอยู่โดยท่านแบ่งความรู้ออกไปเป็นสามระดับใหญ่ๆความรู้ระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูจร้จํานวนบาลีใช้คำว่ายาตะปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้ได้แก่การที่เราเรียนรู้โลกโดยประสาทสัมผัสทั้งห้า คือเรียนรู้รูเปลือกตารู้เสียงด้วยหูรู้กลิ่นรูยจมูกรู้รสรู้ลิ้นรู้เย็นร้อนเรียนรู้เย็นร้อนของแข็งด้วยกายแล้วก็เรียนรู้อารมณ์ด้วยใจแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะเพิ่มกิเลสหรือลดกิเลสประการต่อไปนั้นก็เป็นการรู้แต่เรียกเรียกว่านำเรือเ่องเรานั้นมาคิดที่เป็นระบบ แต่สองมองเหตุมองผลเรามีความรอบรู้ขนาดไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่ในกรณีของวันก่อนเนี่ยมีนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์เรื่องการบวชเป็นภิกษุณีเราอธิบายตำหลักของพระพินัยนะฮะแล้วเคยเตือนเขาว่าพวกเธอนี่ใช้คำเนี่ยมันเกินไปใช้คำบวบบ้างคำมาจวกบ้างอะไรแต่ไรเนี่ย แลเป็นการอธิบายพระวินัยธรรมดาธรรมดานี่ก็นั่งอธิบายธรรมดาคือบอกว่าไม่ใช่พระไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะบวชให้ไม่ใช่ไม่บวชให้เพราะประเทศไทยนั้นไม่มีภิกษุณีวงที่สืบต่อกันมาการบวชเป็นภิกษุณีนั้นต้องบวชมาจากสงฆ์ที่เป็นภิกษุณีสงฆ์มาก่อนแล้วมาขอมติรับรองจาก ประสงค์ในช่วงที่หลังก็ เ, เรียกว่าบวชโดยอุปตตรโสกอธิบายอย่างนี้นะพระนรเทมพลาดหัวเป็นเรื่องหนี่งหลยเอาไปพูดดีเป็นเรื่องหนี่งหลยนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรคือนักบวชเนี่ยที่จริงในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เปิดกว้างแต่เปิดก็เปิดไปเถอะมันถ้าไปล้าเส้นวิ น, นัยมันไม่ได้หรอก วินัยมันเป็นเรื่องขององค์กรพิเศษที่มีมาก่อนสิทธิมนุษยชนมีมาก่อนอะไรทั้งหมดวินัยว่าอย่างไรคืออย่างนั้นพระเราไม่สามารถจะบัญญัติวินัยเพิ่มหรือว่าเป็นลดวินยัยเพราะวินัยน่ะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระาศาสนาเป็นของพระองค์เร า, าอาศัยศาสนาพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์อาศัยเรามือนเหมือนกฎหมาย กฎหมายนี่มันแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวตนของบุคคลเนี่ยคือสภาบุตแถนรัตต น, นเนี่ยเขาอยู่สววนี่เขาอยู่เาก็ทําได้แต่ว่าวุฒิเจ้าท่านไม่อยู่แล้วเพราะงั้นการถือหลักที่ไม่แก้ไขไม่ยกเลิกพระวินัยมันมีมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่สมัยสังขยาาครั้งที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวหรอกแต่จริงมันมาตั้งแต่สมัยที่ทรงพระชนอยู่นั่นแหละ ว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าถ้ายกเลิกพระองค์ก็ยกเลิกเองถ้าไม่ยกเลิกก็คือไม่ยกเลิกเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามเท่านั้นทีนี้ปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยความรอบรู้พอสมควรพระพุทธนักบวชก็เป็นต่างชาติมันก็สังกัดมหาไทยทีนี้เมื่อคนไทยไปบวชมาจากต่างชาติเนี่ยแต่พระพุทธในฐานะเป็นคนไทยก็ก็สังกัดกระทรวงมหาไทย ทุกคนทุกคนเนี่ยสังกัดกระทรวงมหาไทยนะฮะทะเบียนราศมันอยู่ที่มหาไทยทีนี้เมื่อเป็นนักบวชที่ไม่มีเงื่อนไขของพระวินัยยอมรับนะเขาก็สังกัดอยู่ที่มหาไทยอนะ่ะแหละไม่ได้สังกัดที่ไหนทีนี้คนไม่ได้ดูว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยสังกัดอยู่กิจกระทรวงมหาไทยในแงีมุมของกฎหมายไปดูเถอะทะเบียนราศมันไปหาที่มหาไทยอ่ะ คนทุกคนเนี่ยถ้าเบียนราดอยู่ที่กระทรวงนั้นมันก็สังกัดจริงๆคือสังกัดมาไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือโครมการปกครองแล้วนักข่าวเขาเอาไปอ่านคือเขาไม่เป็นสีภาษานะแล้วนักข่าวอ่านขา่าวพลาดหัวนี่อันตรายระวังซื้อพิมพ์พลาดหัวไม่เคยรับผิดชอบนักข่าวก็อ่านไปตามพลาดหัวแล้วไม่ดูเนื้อไหนในสุดก็เกิดวิพาวิจารณ์กันขึ้น จะถามาคนเหล่านี้รู้ัหมรู้ว่าแต่ว่าขาดการศึกษาสืบสาวเรื่องราวต่างๆความรู้จึงรู้ไม่ตลอดและรู้ไม่จริงรู้จริงนั้นจะสิ่งใจชั่วกว็าละได้สิ่งใดดีก็ทำได้ท่านเรียกว่าปหาญาปริญญาเพราะฉะนั้นในววงชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่พระอนาคามีลงมาก็ถือว่ารู้ไม่ตลอดทั้นนั้นเน่ยเพราะอะไรพระกิเลสยัองอยู่ แล้วก็ทําให้เห็นว่าตัวรากเง้าวของกิเลสใหญ่ก็คือโมหะ ค, คืออาวิชาดันเด็กหมายความมาวันใดก็ตามใครก็ตามที่สามารถทําลายอาวิชาไดา้กิเลสอย่างอื่นมันเป็นกิ่งก้านสาขาของวิชาเฉยๆมันก็ถูกทาลายไปโดยธรรมชาติธรรมดานะทีนี้ลักษณะของอวิชาหรือลักษณะของโมหะหรือลักษณะของวิจิกริจาอะไรก็ตามนะฮะ โดยเนื้อหาสาระมันมีความเข้มข้นที่ต่างกันด้านั้นเองคือวิชาบางทีมก็มืดบอดไปเลยคือพูดถึงอาการที่มืดบอดที่เกิดขึ้นไปยในใจของคนเนี่ยเราก็เรียกว่าวิชาตัวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็มีความมืดของจิตเนี่ยเป็นลักษณะตอนเรื่องมันเรื่องเนี่ยเราเดินไปถนนไปเจอทางสามแพร่งอ่ไม่ว่าจะไปทางไหนมัก็ เ, เกิดอวิชาขึ้นในจิตขนาดนั้นพอมันเกิดมืดอ่ะมันตัดสินใจไม่ได้ว่าซ้ายขวาหรือหน้า เมือ่อเมื่อเราจะกินอาหารมันก็มีวิชาปรากฏขึ้นภาในจิตที่อาหารอะไรและมีคุณมีโทษยังไงมันก็เกิดชักงัดเพราะอะไรเพรารู้ไม่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันคนเดี่เขารู้พขรู้ตลอดก็รับประทานไปเพราะนั้นวิชามันก็ปรากฏอยู่ภายในจิตคนอยู่ตลอดนะแล้วก็เป็นรากง่าวแต่ว่าเรามักเรียกว่าโมหะท่านั้นเองเมื่อจําแนกโดยอาการที่ปรากฏ อาการเดียวนะฮะแต่ปรากฏือค ร, รอบคลุมสิ่งต่างๆออกไปก็คือความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการในพระบาลีก็พูดไว้เฉพาะไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนะฮะแต่ว่าในช่วงหลังในพระอาจารย์ท่านไปเพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะยิ่งขึ้นในอภิธรรมบอกว่าอาวิชาติวัตุกา หรือไม่รู้ในยศศัสี่ไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วไม่รู้ในกฎของปัจเจกการหรือเรียกว่าอิทัปปัจจาาิตาเนี่ยเราไม่รู้ทีนี้คําว่าความรู้ในพวกเหล่านี้ทั้งหมดน่ยนะมันไม่ได้หมายถึงความรู้ด้วยการศึกษาเรียนรู้หรือความรู้ที่เกิดขึ้นในการคิดแต่ว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทําลายสมุดถยได้นะ โดยการปฏิบัติให้สมบูรณ์นนริมักเปงค์แปประการตัวนี้เป็นการพูดชั้นสมบูรณ์กันเลยเพราะอะไรเพราะเป็นการพูดถึงจิตของพระอระหันต์พระอรหันต์นั่นท่านทำลายอาวิชาพร้อมทั้งไอ้เครื่องปรุงทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามมันมาจากอาวิชาทังนั้นบางทีท่านบอกว่าดับตานาะพร้อมทั้งมูลรากมูลรากมันก็คืออวิชาเป็นรากงาของอากุศลทั้งหลายนี่มันมาจากอาวิชา ถึงเรามองดูให้ดีแค่แคลกับโลกเราเนี่ยโลกเรามันเป็นความจริงสองด้านที่ไม่อยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันในกระานเดียวกันก็คือมืดก็ไม่สว่างสว่างก็คือไม่มืดด้านมืดก็คือด้านอาวิชาเราจะมีปัญหามีอุปสรรคเป็นอันตรายมีการสะดุดมีการหกลม้มมีการพลั้งพลาดทยอยต่อเนื่องกันไปตลอดก็ยากที่จะเกิดความสงบ วันอาการของอวิชชาจึงครอบคลุมอยู่ในจิตของคนเราสะเกตดนะเช่นว่าคนโกรธจนถึงฆ่าคนอื่นตายถามว่าโกรธอย่างเดียวหรือเปล่าโกรธโง่โกรธแบบงูโง่เพราจริงๆแล้วเราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเนี่ยเขาก็ตายอยู่แล้วทําไมเราจะเอาอนาคตทั้งอนาคตของเราเข้าไปเป็นเครื่องมือ ในการแก้แค้นซึ่งเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเราฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาเราก็ตายเขาก็ตายนะฮะอาจจะตายก่อนเราอาจจะตายหลังเราด้วยซ้ำอาจจะตายก่อนเราได้วยซ้ำแต่เราเองก็ต้องตายเพียงแต่ ว, ว่าเขาเนี่ยตายโดยไม่เคยฆ่าใครมาก่อนเราตายโดยเคยฆ่าคนมาก่อนบาปปัญหา สามารถใครไปเกิดดีเกิดเกิดไม่ดีคนที่ถูกเราฆ่าเนี่ยเขาไปเกิดดีกว่าเราแาะเขาไม่เคยทำบาปขนาดนั้นมาเราเนี่ยไปเกิดแย่กว่าเขาอาจจะตกนรกหมกไหม้ไปเลยเหมือนการที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยโทษสัตะแสดงว่าโมหะมันปิดมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญากอเรา ความโลภเนีย่ยที ya, been, ่เราโลภอยากได้นั้นอยากอยากอยได้นี้อยากได้น้นบางเรื่องเนี่ยถามว่าเอาไปทําอะไรมันก็ไม่รู้ไปทําอะไรสมัยที่เงินทองมันเยอะเนี่ยมีญาติโยงไปซื้อพวกตันลุ่มพวกอะไรมันชิบชิบชิบชิบตันปลายเล็กสุดจมอยสุดเลยแต่หมดเวลาก็เต็มบ้านนะของก็เต็มบ้านมกรกตรังแต่ถามว่าใช้ปีหนึ่งได้กี่ครั้ง คือใจว่าเรื่องมือนเรื่อ ง, องมันไม่จะเป็นเท่าไรเลยแต่ว่าเพราะเรามีโลภะเรามีโมหะเมื่อมีโมโลภะมากก็แสดงโมหะมันมากมันเปิดบางเหตุผลสติปัญญาไปหมดเพราะฉันท่านจึงบอกว่ามีอาการมืดบอดอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลหรืออย่างหนึ่งก็มีความไม่รู้เนี่ยเป็นลักษณะมืดบอดก็ไม่รู้ก็คือการเหมือนกับมืดเราจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะไรวางอยู่ตรงไหน จะเดินจะเหินนี่จะทํำยังไงเป็นต้นเนี่ยก็แสดงเดื่การไม่รู้แล้วเมื่อไม่รู้ก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปได้อย่างนี้ยกตัวอย่างในกรณีของภิกษุณีเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาทางวินัยที่ยุ่งยากมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะก่อนจะบวชก็ยุ่งยากพอบวชแล้วก็ยุ่งยากนะ ลุงยากมากเพราะว่าสัตวรูมันเยอะศาสนาพุทธเนี่ยภิกษุณีเราจูกจุดคราบไปถูกขมขืนถูกประทุษร้ายนั่งไปในเรือจ้างเอาถูกเรือจ้างเอาไปขมขืนจะอู้มันยุ่งยุ่งจนหน้าเครียดนะนะถ้าเราไปอ่านเนี่ยเขาขนาดทาไปทามาพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยเนี่ยให้ภิกษุณีอยู่ในสานักของภิกษุสงฆ์ มีภัยมีอันตรายเนี่ยพระต้องไปช่วยได้แต่เราลองมองนึกภาพนะฮะมองนึกภาพว่าตาเหตุเกิดขึ้นมาจริงๆกำแพงติดกันโยคนละด้านเกิด อ, อันตรายขึ้แกพิงสุนีพระก็ต้องไปช่วยไปช้าก็ไม่ได้ก็วิ่งกับตัวปลิวะแต่พระไปไม่มีอาวุธอะไรแล้วโจรก็มีอาวุธเนี่ยเราลองนึกภาพดูเนี่ยอันตรายขนาดไหน เขาเพื่อจะรักษาองค์กรภิกษุณีเอาไว้พระแต่ก็ทํามาเต็มที่แล้วนะฮแต่ว่าการสืบสารภิกษุณีวงนี่ท่านต้องสืบสารกันเองมันไม่ใช่ว่าพระมาสืบสารให้เพราะในที่สุดเมื่อท่านสืบสารไม่ได้ก็คือสืบสารไม่ได้แต่เป็นความผิดก็เพื่ความผิดของท่านเองอย่าถือว่าเป็นความผิดของพระไม่ได้เวลาเนี้ยเออจะทําอะไรก็เอามาด่าพระสมัยน่าริมกรึงก็เหมือนกัน บวเป็นภิกษุณีแล้วก็ออกหนังสือด่าพระสัมภาษณ์ด่าพระจนทุกวันนี่คนสุดท้ายลูกสาวคนสุดท้ายนี่แก่แล้วนะยังไม่จานยังด่าพระอยู่เลยวันก่อนไม่ยอมรับรู้ถึงกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนั่นคืออะไรคือไม่มีปัญญามากพอต่อการจะรู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงในเรื่องอ น, นั้นแล้วก็ละเหยแต่งความไม่รู้ออกไปได้ปัญหาเรื่อง อวิชชาจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่อยาที่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาความรู้ขึ้นมาเรื่องบางเรื่องเดี๋เราไม่สามารถจะรู้ได้ก็เอาแค่เชื่อท่านไปเหมือนเชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์เชื่อหลักในพระไตรปิฎกลิกการหนึ่งเขบอกว่า ปกปิดสภาพแผงอารมณ์คือหมายความว่าสิ่งที่เราจะคิดสิ่งที่เราจะสัมผัสเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้มันเป็นอะไรเราไม่มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นทาให้อาการของคือดูภาพชัดๆแล้วเหมือนกับเราอยู่ในนะที่มืดตึ๊ดนะฮะคือทำอะไรไม่ถูกแล้วเมื่อไม่ถูกมันก็ปฏิบัติไม่ชอบตัวเหตุสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร สตจริงๆเนี่ยพวกนี้มันเหมือนกันหมดนะคือเราจะพูดวิจิิจฉาก็ได้พูดถึงุ่มก็ได้พูดถึงอวิชาก็ได้พูดถึงโมหะก็ได้มาเกิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอายโยนิโสมนติการโือการขาดการใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยรอบคอบโดยแยบคายในเรื่องเหล่านั้นในกระบวนการในการมองในการคิดเนี่ย ยกตัวอย่างในกรณีที่จริงกรณีเดียวกันเราจะเห็นว่าอย่างการณีที่ร้อยโทชวลินร้อยตารวจโทชาวลินสว์ชาว ล, นว ล, าวลินที่ไปไม่ใช่ชวลินคือวีระมุสิกพงศ์นะฮะที่ล่าลายเซ็นเพื่อจะให้นิรโทษกรรมธนายกค้นดาก็เป็นตับเลยแต่พอเรื่องภิกษุณีเนี่ยเชื่กันเป็นการใหญ่เลย คนที่เราไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะทิ้งหลักการสาคัญเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิจ า, ารณ์ใรด้านศาสนาเราก็เชื่อถือกันอย่ยวนี้ทำให้คนผิดหวังเยอะเพราะว่าเาก็จริงท่านใช้อคติส่วนตัวเกียรถามว่าคนเหล่านี้เกาตมาคุณกันไหมจัดสุมานเะนี่ยคุนกัน สามีเขาก็คุ้นกันเป็นนักศึกษารุ่นน้องเรียนมาจบมาด้วยกันลูกชายเขาก็บวชอยู่กับธรรมาก็มีคนก็ว่าท่านจะท่านอาจารย์ไม่ไปตามกระแสบอกเอา้ามันเป็นเรื่องของพระวินยัยนั่นเป็นหลักการของพระวินยัยเราอธิบายหลักการในฝั่งเนี่ยว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้แหละถึงหลักการพระวินยัยบัญญัติไว้ยังไงคืออย่างนั้นเราจะไปสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้ แล้วก็มีการเรียกร้องจากพระ บ, บางองค์ให้มาแต่ว่ากุ่มประชุมท่านประชุมทําอะไรเรามันไม่น่าที่อะไรของท่านเนี่ยเออถ้ามีทางราชการอะไรต่ออะไรทหนังสือเรียกรอ้องขึ้นมาเป็นกิจลักษณะให้ตรวจสอบอ่าท่านก็อาจจะประชุมก็ลงมติออกมาแต่ลงมติถ้าวมันจะรับหรือเปล่ามันก็ไม่รับนะฮะลงมติมันมีมาตั้งนานแล้วมติมันมีมาตั้งแต่สมัยนาฎินครึ่งนั่นแหละ สมัยกรุงหลวงชินวอนสิริวัตรทุกวันก็ยังอยู่มติเนี่ยยังอยู่ห้ามให้บวชภิกษุณีนะทีนี้สมมุติว่าเราจะพยายามบวชให้ได้สมมุติว่าพระวัดกอ่อไปบวชให้พระวัดอื่นก็นจะรังเกียจพระวัดนั้นในที่สุดในกลายเป็นสังฆเพศขึ้นในหมู่สูงอาจจะแตกแกยกออกไปเป็นนี่อีนี่กายหนึ่งเป็นนิ่กายที่มีภิกษุณีได้ แต่ลงเทแล้วว่าก็แตะก็เป็นสามนิการเลยทีเนี้ยยุ่งตายแลย้วยเราต้องมองอนาคตนะนะเขาไม่ได้กีดกันอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเรื่องธรรมะแล้วไม่มีกีดกันใครเนะี่ยธรรมะมันเป็นสากลธรรมะใครจะปฏิบัติก็ได้การบรวชเนเี่ยแปลวเว้นบาปนมันประชิดแปลวผูกเว้นบาปสมณะก็คือสงบจากบาปมันเป็นอาการทางจิตมันไม่ใช่รูปแบบข้างนอก มันการบวชเนี่ยท่านก็แบ่งเป็นบวชกายอกายก็ไม่บวชใจก็ไม่บวชบวชกายไม่บวชใจบวชใจไม่บวชกายบวชทั้งกายทั้งใจอนะมันก็ทําได้อนะ่ะทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบบางอย่างเนี่ยมันทําไม่ได้เช่นสมมุติเราทําหน้าที่ของพลเมืองดีแจ้งข่าวต่างๆเนี่ยให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเราทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจับเองเนี่ยคงไม่ได้นะ เราไม่มีหน้าที่อํานาจในการจับกลุมแตในขณะเดียวกันถ้าเราหลายๆลายคนนะมันก็รุมกมาจับได้เหมือนกันเดี๋ยวแต่ว่าต้องมอบให้ตํารวจคือเราทําอย่างอื่นไม่ได้เพรา ะ, ะรเพราะเราไม่มีอํานาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งดังนั้นเราทําไม่ได้แล้วก็เหมือนกันอย่างเนี้ยเหมือนกับทหารไอ้ตำรวจไล่จับผู้ร้ายเนะ่ะ ร้ายยิงต่อสู้ยิงกันไปยิงกันมาตำรวจก็ยิงก็ถือว่าเป็นวิสามันฆาตกรรมไม่ต้องติดคุกนะทีนี้ถ้าชาวบ้านเนี่ยไปทะเลาะ ก, กันแล้วก็ไปยิงกันเนี่ยก็ติดคุกนะนั่นคือเงื่อนไขของกฎหมายปัญหาสำคัญของกฎหมายในบัญญัติไว้อย่างไงแต่กรณีนั้นนั้นแหะก็บัญยัติไว้อย่างไรเงื่อนไขของวินัยกับเงื่อนไ ข, ขกฎหมายเป็นเงืขของ่อ น, นไขเดียวกัน อยู่ต่างก็มีแต่ว่ากฎหมายนั่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้วินัยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือหลักการสําคัญที่คนซึ่งเคารพในพระ ธ, ธรรมเอย่าต้องยึดมั่นในหลักการตรงนี้เอาไว้ไม่ใช่ว่าสแสดงอคติเห็นแก่กแก่พูกตัวเองว่าพวกตัวเองแล้วถูกก็เป็นผิดก็เป็นถูกว่าคนอื่นแล้วก็ถูกก็เป็นผิดคือความเป็นนิกายเนี่ยมันมีในรุ่นรุ่นบุรพจารย์ เราไปแก้ไขแม่มีไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าทํำยังไงว่าบุคลากรในนิกายทั้งหลายเนี่ยอย่าไปรู้สึกังเกียจเดียดฉันกันร่วมแรงร่วมใจกันทํางานด้วยกันนะอย่างนี้อย่างมามงกุฎกับมาจุฬาเนี่ยโดยผู้ทานเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเป็นนิกายมาวิจัยเลยมาวงกุฎเนี่ยมีพระทั้งนิกายแล้วก็บางทีก็แถม น, นิกายมาหยานเข้ามาด้วยซ้ําไปเราไม่มีความรู้สึก แต่ว่าการมีนิกายเนี่ยเขามีมาเป็นรู ป, รปองคอ์กรเรแบบยุ่งใดไงสมมุติเราจะไม่ยอมรับเป็นนิกายนะเราคิดจะแยกมามันก็กลายเป็นอีกนิกายนึงเรื่องมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆดังนั้นแนวของวิ ช, ชาเนี่ยคือการมองตลอดมองทะลุผูกโปรง่งที่ท่านเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดตามความจริงแล้วก็ปฏิบัติตนไปตามหลักการเหล่านั้น ไรยบุคคลระดับพ ร, าาระอรหันทรนั้นเองนะที่บรรลุพระญาณสมบูรณ์นั่นก็คือศีลท่านสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์รวมแล้วก็อริยมรรคในแปประการก็งท่านสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วท่านก็กลายเป็นสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบเมื่อท่านรู้ในทางที่ชอบจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเป็นสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นในทางที่ชอบ แต่เป็นการหลุดพ้นประเภทที่เรียกว่าสมุติเฉดทวิมุตคือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่วนกลับมาไม่ย้อนคืนมาสู่อำนาจที่กิเลของกิเลที่ท่านละได้แล้วอีกต่อไปคือกิเลตอันใดที่ได้ละไปแล้วก็ชื่อว่าละไปแล้วมันเหมือนกับคนหัวขาดเนี่ยคือตายแล้วทำยังไงก็จะฟื้นขึ้นเป็นมาไม่ได้นะเขาเกิดใหม่ก็เกิดนะใหม่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า ในความเป็นคนเนี้ยมันได้หมดไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งอุปมาเหมือนกับคนทําชัว่วโดยเจนว่ากิเลสเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งทําให้หมดไปเนี่ยอุปมาเดียวกับคนที่กิเลสมันมากจนครอบงำอุปมาเหมือนตายอดด้วนนะฮะทําเหมือนกระตายอดด้วนคือไม่เจริญง้องามอีกต่อไป นี่ยคนที่ต้องประราชิกท่านอุปมาเพื่อตามยอตามยอดยอ ด, ด้วยคือไม่สามารถเจริญง้องามอีกต่อไปในด้านของคุณธรรมอันหนึ่งในด้านของกิเลสนะแต่ว่าท่านใช้อุปมาเดียวกันจงฟังทั้งหลายแต่รวมาพุทธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี